ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวระพุทยาณในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามอิกเช่นเคยเป็นคำถามของครูสอปอจังหวัดนครราชสีมามัถามว่าอยากจะถามว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายที่ไม่แต่งงาน ตายไปจะได้เกิดไปเป็นอะไรคนเราไม่ได้อยู่ที่แต่งงานหรือไมไ่แต่งงานนะนะมาอยู่ที่กรรมคือการกระทาของบุคคลก็ตอบได้ว่าก็าไปเกิดตามกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้ก็ทำดีก็ไปเกิดดีทำไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีจะต้องเข้าใจว่าคนในโลกเนี่ยมันไม่ได้แต่งงานทั้งหมด ในแต่คนระดับการ ม, มาจรภูมิแต่คนบางพวกทําความดีสูงกว่าพวกแต่งงานงไปจำไปเป็นพวกนักปวดพวกทักษาศีลบวชสดทักษาศีลแปดแล้วตลอดถึงว่าในจักรวาลในสากลจักรวาลมันมีพบอยู่สามพบคือกา ม, มาจรพุ พบที่กุเสร็จตารมพบนี้ก็อย่างที่เราอยู่กันเนี่ยอย่างโลกมนุษย์เราเนี่ยเราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่แต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่อยู่ติการกระทาความดีหรือความชั่วของเขาเป็นเกณฑ์รูปภพนั้นเป็นพรมที่ไม่มีการแต่งงานแต่ว่ามีพบมีภูมิสูงกว่าคนที่แต่งงาน มีความสุขในความสงบในความยเย็นเย็นเหนือกวา่าผู้ที่แต่งงานแลว้วรูปภบพบคือพบที่ไม่มีรูปยิ่งประนีชขึ้นไปกว่านั้นนีกว่ามาถึงระดับพระอิยะซึ่งก็เรียกว่าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีครอบครัวแต่ท่านไปนเกิดเป็นพรมชั้นสุทธาวาสคือเกิดดีกว่าพวกแต่งงานอย่างเงี้ย เพราะการแต่งานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องกําหนดการเกิดว่าเกิดดีหรือเกิดไม่ดีแต่ความระพฤติการกระทําของบุคคลเนี่ยเป็นเครื่องกําหนดว่าเขาจะไปเกิดในสถานที่ไหนพระเจ้าทรงแสดงว่ากรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวได้ประนี้แตกต่างกันออกไปเพะการที่เขากระทาจะเป็นตัวกําหนดที่มีความสําคัญมากแล้วก็จะเกิดไปดีหรือไม่ดี คนที่แต่งงานกับคนที่ไม่แต่งงานอย่างไหนดีกว่ากันก็แล้วแต่มมองนะฮะถ้าพูดถึงสภาพจิตแล้วในพวกไม่แต่งงานก็สูงกว่าเพราะว่าเป็นการปฏิบัติในพรมจันทรร์ที่สูงขึ้นไปก็ดู ง, ง่ายๆนะรูปประรมกับรูปประพรมนี่ก็ไม่แต่งงานเนะี่ยก็ไม่มีคู่ครองเขาก็สูงกว่าคนอื่นยกเว้นแต่พ ร, รยะยาพ ร, รยะยาก็ยังไม่แต่งงานใหญ่ ตั้งแต่พระนาคามี ร, ร า, หารหันก็สูงก็คนอื่นถ้าเทียบประเด็นธรรมะมาเทียบนะครไม่ได้เทียบตามความรู้สึกของคนความรู้สึกของคนก็ตามแต่จะไปคิดเอาผู้ที่แต่งงานก็รู้สึกว่าดีกว่าผู้ที่ไม่แต่งงานก็อาจจะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาดีกว่าก็แล้วแต่ แต่ถ้าเราเทียบโดยเกณฑ์ของสังคมโดยพบโดยภูกจริงๆโดยกรรมจริงๆนะนี่การไม่แต่งงานดีกว่าการแต่งงานอย่างโลก น, นี้ก็บอกไว้นะฮะมีบุตรบ่วงหนึ่งเที่ยวพันคอสะปู่บาหาครอนวอกไว้ปัญญายิ่งบ่วงปอดึงรักมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารก็ต่อไปถามว่า ระหว่างรัฐบาลทักษิณกับรัฐบาลที่ผ่านๆมาแตกต่างกันอย่างไรเขคงจะไม่ต้องไปวิจารณ์เขาหรอกนะเพราะว่ารัฐบาลทักษิณเขาเพิ่งเป็นแค่แปดเดือนนั้ น, น, นเองรัฐบาลอื่นก็เป็นมาตั้งสามปีสองปีสามปีสี่ 7, ปีเจ็ดแปดปีมันเทียบกันยากนะนรับคือปริมาณงาน มันสัมพันธ์กับเวลาที่คนเหล่านั้นเขาอยู่รับผิดชอบแต่อย่งไรก็ตามนะเราถือว่ารัฐบาลในเมืองไทยถึงจะช่วยดีที่ห่างอย่างไงก็พอทนกันไปได้นะพอสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ไม่ได้รุนแรงอย่างบางประเทศทั้งที่เราได้ยินได้ข่าวคราวกันการที่บูชาของนํามาถวายพระแล้วกลับมาถวายอีก หรือบางวัดจะยาได้บูชาและนำมาถวายซ้ำอีกเช่นผ้าใจเครื่องสังฆทานแล้คุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเป็นการทำที่ถูกต้องหรือไม่คือว่าการตามความเป็นจริงไอ้ถูกต้องทีเดียวมันก็ไม่เคยเชิญถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามองถึงผลประโยชน์ที่จะได้เนี่ยคือว่าถูกปใจใัจจัยคยธรรมเหล่านั้นนะที่จริงมันถ้ามากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นปัจจัยขึ้นมาแล้วก็ให้ประโยชน์แก่วัดนะฮะให้ไพ่ประโยชน์แก่วัดที่เป็นส่วนรวมวัดมันก็ได้ประโยชน์อั น, นมนขึ้นอย่กับการมองการคิดกันนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรียบร้อยมันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควรหรอกเพราะว่าแต่กลายกระพราไปทําธุรกิจวัดไปทําธุรกิจไปขายของที่ คนก็เคยถวายมาแล้วถวายวนกันอยู่อย่างนั้นก็มีแต่เรื่องที่เขาเล่านะฮะแปลว่าจริงๆก็ไม่เคยเห็นจริงว่ามันมีจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาว่าเนี่ยก็เคยได้ยินเขาพูดได้ฟังหลายแห่งแล้วแต่เราก็ต้องถามรายละเอียดพอสมควรนะถ้าเราไม่รู้รายละเอียดเราก็วิพาควิจารณ์ไปไม่ได้ว่าของของนั้นแหละมันเป็นของวัดหรือเปล่า แต่เป็นของส่วนตัวภิกษุเรามาได้ยังไงถ้าเป็นของวัดนั้นปกคังได้นะฮะคล้ายกับงานฝังรูปมิมิตรอะไรต่ออะไรดอกไม้ถุกเทียนอะไรต่อรต่างๆเนี่ยทางวัดก็ขายก็เพื่อจะเอาผลประโยชน์บำรุงวัดแทนที่จะให้ชาวบ้านคนข้างนอกมาขายเอาไ ป, ปบำรุงบ้านเรือนของเขาเนี่ยเอามาบํารุงวัดบางก็ฟังได้นะอยู่ในเกณฑฟังได้ กองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาทท่านามีความคิดเห็นอย่างไรมีผลดีผลเสียไอ้ผลดีมันต้องมีอ่นะฮะเพราะว่าดิ่งเงิ น, งนงลงไปอยู่บนในหมู่บ้านหานึ่งตั้งหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันก็ทําให้ดีมันก็แพร่สะพัดออกไปแล้วก็หมุนกลับมาหมุนไปหมุนมากันได้หลายรอบก็ทําให้คนมีงานขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอสินค้าไอ้ผิดพัณุ์ ต่างๆก็จะขายได้เพิ่มขึ้นมันก็เป็นผลดีแน่นอนแหละแต่ว่าคนที่อยู่ในแวดวงนี้ต้องมีความื่้สัตว์แต่เข้าใจว่าก็ต้องมีระเบียบผิดกเกณฑ์เป็นหลักในการปฏิบัติออกมากพอสมควรถ้าไม่งั้นก็อาจจะเสียหายขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าหากว่าคนขาดความสำนึกรับผิดชอบเพราะว่าเงินนั่นบางทีมันก็ เป็นอสราพิษนะเป็นพิดเป็นภัยเป็นอันตรายพี่ถ้าคนบริหารไม่ดีมีความโลภนำไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ยากเหมือนกันถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างพระบบางานศาระบับปัจจุบันกับฉบับที่ผ่านานมาคือฉบับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะเราก็ไปดูผลมันไม่ได้ ไอ้ฉ บ, บับที่ผ่านมาแล้วมังก็ใช้แต่ตัวพระราชบัญญัติเองเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันอยู่ที่ผู้บริหารจัดการดำเนินการ้เป็นไปตามพระาบัญญัติเหล่านั้นเป็นประการสำคัญเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่คนนะ่นนะฮะหนึ่งก็คือคนสองก็คือคนสามก็คือคนหรือถ้าคนไม่มีปัญหาแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาหรอก พระราชดยัเขียยในรูระ ย, ยังไงก็ตามแต่หากว่าคนเราไม่มีประสิทธิภาพขาดความสำนึกรับผิดชอบแล้วในปก็เอาดีอะไรไม่ก็ได้เหมือนกันถามว่าการสร้างภาพยนตร์เรื่องย่าโมท่านมีความคิดเห็นยังไงสมมติเราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องศึกษาทบทวนข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์ เพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยบางครั้งบางคราวมันก็เขียนบิดเบือนกันเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นก็พูดถึงว่าพม่ า, มาตอนมารุงเสียยุธยาแตกครั้งที่สองนั้นมันลอกเอาพระลอกเอาทองคําที่พระมงคลบอพิษไปสร้างพระเจดีย์เวดากองอย่างเงี้ยพอไปพบในตอนหลังปรากฏว่าเวดากองนั้นมันแผ่เป็นแผ่นๆไง แต่ว่าพระมงคลพระพิษเนี่ยเป็นพระวุตรูปปิดทองปิดทองมันก็ทองนิดเดียวนั่นเองนะฮะถึงดูมากเนี่ยแต่ป้าลอกออกมาแล้วก็ได้นิดเดียว น, นั่นเองแต่ที่ก็ปิดทองมาดีีแผงสองแผนเนี่ยเขก็สามารถจะแผ่ออกมาปิดทองได้เป็นองค์แล้วเพราะงั้นตรวัติศาสตร์เนี่ยควรจะแน่ใจเพราะเราสร้างขึ้นเนี่ยมันมีผลในทางลบต่อพระเจ้าอนุงวงศ์เบียบจัน แล้วก็หมายถึงพี่น้องลาวของเราด้วยนะฮะือถ้าเป็นจริงเป็นได้ยอมรับกันมันไม่แปลกแต่อย่าลืมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเขียนด้วยโทสากติเขียนด้วยโมหกตินี่เยอะแล้วก็เชียร์พวกกันเองเหยียบดั้มพวกตรงกันข้ามกับตนเองก็ลัวก็จะดีก็จะเด่นก็จะดังอันนี้เป็นเรื่องเนี่ต้องระมัดระวังมากเหมือนกันเพราะทำมาอย่างนั้นแล้วเนี่ย อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกกันได้ก็ข่ า, ขาวก็วเงียบงายไปนะฮะพอเอกอัคราทูตลาวนันออกมาตั้งข้อสังเกตคือถ้าอะไรที่มันกระทบกระเทือนสัมพันธไมตรีดีอยู่เนี่ยงดเว้นจะเลยจะดีกว่าเพราะว่าปัญหามันเยอะอยู่แล้วนะปะนัญหาขัดแย้งกันในสังคมไทยเราเนี่ก็เยอะอยู่แล้ว จะไปสร้างตัวรูจากข้างนอกอีกทําไมมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาอยากทราบอยากจะทราบอยากจะถามว่าการสังหารหมู่กษัตริย์ในป่านาเรือเรือนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างและพระมหากษัตริย์ไทยกับกษัตริย์ในป่านมีความแตกต่างกันอย่างไรเราคงไปคิดเห็นอะไรไม่ได้อนะ่ะนเพราะว่ากันตามความเป็นจริงในคนฆ่ายคือใครยังไม่รู้เลย เพราะว่ามันประโยชนในคนตายหมดคนตายก็ไม่มีโอกาสจะแก้ต่างให้แก่ตัวเองคนเป็นก็พูด้ร่ายเดียวเพรา ะ, ะนั้นเราต้องเคารวต่อวิญญาณของผู้ตายที่งจากไปแล้วเขาไม่รู้อิโนโอิเนะก็จริงเท็จขนาดไหนก็ อ, อาจจะถูกฆ่าเองก็ได้เขาคงถูกฆ่านั่นแหละแต่ภาวนาว่าใครฆ่ากันนั่นเอง คนข้าอาจจะตายไปแล้วคนข้าจะมีชีวิตยอยู่เราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องแม่แต่นิพานเองเขาก็ไม่ชัดเจนก็ยังเครื่อแปรงสงสัยกันดูกษัตริย์นิพานกับกษัตริย์ไทยนั้นที่จริงก็เป็นสนิทสนมกันนะไปมาหาสู่กันแต่ไปทรงประชวดเนี่ยพวกราชวงศ์นปานก็มารักษาที่โรงพยาบาลหลวงไทย เดินไปมาที่ไม่เป็นทางราชการเนี่ยบ่อยๆเรียกไปมาหาสู่กันก็เกี่ยวข้องผูกพันกันมานานแล้วแต่ว่ารายละเอียดนั้นยังไม่ได้ศึกษาว่ า, าปกครองกันยังไงอำนาจหน้าที่ของกษัตริย์นี่มีมากน้อยแค่ไหนเป็นไงควาสามารถที่จะประกาศจะทําอะไรได้โ ด, ดยลําพังพระองค์เองหรือไม่ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรืออยู่เหนือรัฐธรรมนูญนี้ไม่ทราบนะครับยังไม่ได้ตั้งใจศึกษารายละเอียดของกษัตริย์นิพนธ์คดีความนายแพทย์กับแพทย์หญิงที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยท่านมีความคิดเห็นยังไงก็ไม่คิดเห็นนะะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในทางศาลอยู่ศาลเองก็ยังไม่ระทับรับฟ้อง แล้เรื่องก็ยังไม่เดินไปก็ปล่อยให้ศาลก็ตัดสินไปก่อนคือเราไปใช้กระแสปักใจเอาเนี่ยคงไม่ได้แร้วเพราะว่ากระแสข่าวตั้งซื้อพินที่เราอ่านแล้วมันไม่มีความสมเหตุสมผลอยู่เยอะแต่คําพูดของคุณหมอเองก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่เยอะเพรา ะ, ะ น, นก็ปล่อยให้ศาลเขาวินิจัยตัดสินไปก่อน เราออกความเรียนไปมันก็เท่านั้นแหละไม่ไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมารียกว่าของหายแต่ปายบาปคือบางทีมันก็เกิดบาปขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราออนในด้านข้อมูลนะข้อมูลไม่ชัดเจนจริงพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องเกียรติยศเชินศักดิ์ศรีของคนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ย แล้วคนแต่และคนนเป็นคนที่มีราคามีคุณค่าต่อสังคมแต่หากว่ากาวคราสที่ออกมาเป็นการทำลายตัวท่านเนี่ยจะทำให้สังคมสูญเสียคนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมไปนคนหนึ่งคือคนที่มาขึ้นมาถึงแพทย์ญิงก็ตามแพทย์ชายก็ตามเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะฮะคนที่จะอยู่แล้วจะเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นอันมาก แต่ ถ, ถูกฆ่าตายไปก็น่าเสียดายถูกจับกลุ่มไปก็น่าเสียดายนะเว้นไว้แต่ว่าท่านท า, ทาความผิดจริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไปตามกรรมของท่านที่ได้กระทาเอาไว้เพราะในเรื่องไม่ชัดเจนเราก็ไม่ควรจะไปออกความเห็นก็ต่อไปถามว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่หมดไปจากประเทศไทยจะป้องกันปราบปรามได้ยังไรโอ้ยปัญหาภูเขา มันปัญหาเศรษฐกิจกปัญหาศีลธรรมปัญหาสังคมปัญหาการเมืองแล้วเป็นการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะไม่นจะการเมืองปกติธรรมดาคือไม่จะนิ่งๆเราจะทำอะไรได้มันเกี่ยวข้องผูกพันกันหลายประเทศทั้งพมา่าทั้งจีนทั้งลาวทั้งไทยอ่าเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่มากเออซึ่ง เป็นปัญหาระดับประชาคมโลกนะเราจะไปตัดสินที่ขาดอะไรลงไปก็คงทำไม่ได้ง่ายแต่การปราบปรามเนี่ยมันต้องแก้ที่เศรษฐกิจคือถ้าแก้ปัญหาพัฒนาอาชีพของเขาที่ให้เขามีฐานะอยู่ดีมีสุขพอสมควรโดยไม่ต้องไปผิดจำหน่ายจ่ายแจกการเสรษจิดเนี่ย มันก็สามารถแก้ไขได้ดูในโครงการในพระลมในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุสนพวกเจ้าเขาซึ่งเคยปลูกฟินมาในการก่อนเวลานี้เขาก็ไม่ปลูกกันไปแล้วเพราะว่าพืชที่เขาปลูกในปัจจุบันนั้นมันมีรายได้คุ้มกับที่เขาลงทุนไปมันอาจจะไม่รวยเท่าการข้าวฟินหรอก แต่มันก็มีเงินมากพอที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอยู่ดีมีสุขได้แล้วก็ไม่เสี่ยงกับภัยอันตรายไม่เสี่ยงกระคุกไม่เสียยเส่ยงกัะตารางเนี่ยเราก็อยู่ก็ได้ข้อต่อไปถามว่าการปรับเวลาเร็วขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงมีผลดีผลเสียอย่างไรไม่เป็นขันตรรพบถ้ากลับมัก็กลับมันไม่ได้มีอะไรกันมาหรอกเวลาเราเล่นสมมติตัวเองนะฮะเราแต่งตั้งเัาเอง เราจะตั้งเวลาทํางานตรงไหนก็ได้สมมุติเราจะปรับเวลาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคเพิ่มขนมาหนึ่งชั่วโมงเราทํางานแปดโมงครึ่งก็คือเจ็ดมงครึ่งนะฮะก็คือเจ็ดมงครึ่งเก่ากับแปดโมงครึ่งใหม่มันก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมามันก็สว่างเยอะแล้วนะแล้ดี๋ยวจะเลิกงานตอนทอะไรล่ะตอนสามโมงครึ่งก็คือสี่โมงครึ่งเก่าไปเลิก กุเรื่องสามงครึ่งก็ก็ไม่ได้มีอะไรอีกอ่ะคือเป็นเรื่องปรารบขึ้นมาเฉยๆทนายกตรวการทดสอบความคิดเห็นของสังคมเท่านั้นเองทางการฟังกระแสสมมติว่าจะเลื่อนกันจริงก็ไม่ได้แปลกอะไรขึ้นมาคนก็คงมีเวลาวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมเวลามันก็มีเท่านั้นนหละจะเพิ่มหรือจะลดอะไรลงมาก็เท่าเดิมนะเวลามันก็เท่าเดิม ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเวลามันก็ไม่จงกันอยู่แล้วนะฮะอย่างอเมริกากับไทยก็ไม่รงกันอังกฤษกับไทยก็ไม่ตรงกันอินเดียกับไทยก็ไม่ตรงกันพม่ากับไทยก็ไม่ตรงกันอะไรก็ขาดกันคนเล็กคนน้อยอะไรแต่ไรเนี่ยเราไปทำมาได้แล้วในโลสวรรค์มีจริงหรือเปล่าครับผมคิดว่าเป็นเครื่องมือควบคุมมนุษย์แม่ทําลายกันใช่ไหมครับ มันง่ายหรอมัน ม, มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเอามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมคืมคอพระพุทธศาสนาเนี่ยแสดงนะฮะแสดงความจริงว่าความจริงมันมีอยู่เป็นอยู่ยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นคือไม่ได้ไปสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นการชี้บอกความจริงที่ทรงพบเห็นมา นรกนั้นเป็นผลมาจากการกระทำความชั่วสวรรค์เป็นผลมาจากการกระทำความดีก็ แ, แสดงว่าการทำดีทำชั่วของคนนั้นแทนที่จะมีผลในขณะนั้นนั้นก็ยังมีผลในขณะต่อไปขณะต่อต่อไปแล้วตลอดถึงจนพบชาติต่อต่อไปเราทำให้คนกลัวบาปและพร้อมที่จะกระทำความดี ก็อย่างน้อยที่สุดก็ตั ว, ตวนรกรองการมาเกิดในสวรรค์ทีนี้ติดต่างว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราละชั่วประพฤติไปแล้วเนี่ยสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีแต่เราทําความดีเนี่ยเราก็อยู่ดีมีสุขในชาติในชาติปัจจุบันถ้านรกมีสวรรค์มีเราก็ตายไปบังเกิดในสวรรค์ด้วยมันไม่มีอะไราขาดทุน ทำลงไปเนี่ยได้ผลโดยส่วนเดียวเพราะว่าความรู้เรื่องนรกสวรรค์มันเป็นความรู้ระดับพระาญาณของพระพุทธเจ้า ร, ระดับญาณของรับาญาณของพระอาหารหันตทั้งหลายหมายความว่าคนที่ได้พิญญาขึ้นไปในรู้เรื่องนรกสวรรค์นั้นแล้วความรู้กันทานเหล่านั้นก็ลงกันตรงกันไม่มีความขัดแย้งกันการรับฟังเรื่องหล่านี้เอาไว้เนี่ยมันเป็นการปลอดภัยด้วยประการคงบวง แต่ที่หลวงพ่อเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ทําความดีเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเรามองเห็นว่าตนได้ทําความดีเอาไว้แล้วนั้นการทําความดีจึงไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรมันมีแต่ผลดีก็ดีแต่นั้นเองการทําความชั่วมันถ้าในารกสวรรค์ไม่มีเนี่ยเราก็เดือดร้อนในปัจจุบัน แต่นโลกสวรรค์มีเราก็เดือดร้อนในชาติต่อไปด้วยก็แสดงว่าเดือดร้อนทั้งสองข่ายทั้งโลกนี้แล้วกันในโลกอื่นมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการควบคุมมนุษย์อะไรหรอกแต่ว่าเฉพาะลุทธิศาสนาเองเนี่ยนั่นเป็นสัจ ธ, ธรรมหมายความว่าความจริงที่แท้จริงเป็นยังไงก็แสดงตามนั้น แสดงตามที่มันเป็นจริงไม่ขยายความจริงให้เกินจริงเรียกว่าไม่เสริมความไม่อาความไม่เสริมเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไม่ขยายเรื่องอไม่ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่เป็นอย่างไงก็จะสรงแสดงว่าอย่างนั้น นี่ก็เป็นหลักการสําคัญสกการหนึ่งที่ควรจะคิดเอาไว้ว่าเรือนรกสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ด้วยปุเพนว่าสาัตยาด้วยทิปจักสุญาดแล็กคนได้ได้ทิปจักสุแล้วรสชาติได้เนี่ยก็เคยเจอนโลกสวรรค์กันมาแล้วทั้งนั้นในชีวิตของท่านเองเนี่เคยเจอนโลกสวรรค์มาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเหมือนคนไปอยู่บนที่สูง แล้วก็ไปเห็นอะไรจากที่สูงลงมาบอกเราซึ่อยู่ข้างล่างเราไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นเราเชื่อตามที่ท่านบอกหรือไม่งั้นก็ปีนขึ้นไปอยู่ในจุดเดียวกันเราเคยว่ากาันว่าไอ้ความจริงดิแทจริงเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ในช่วงนี้การเชื่อพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยเป็นการปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงแล้วก็ ในฐานะที่เราประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสานนาเนี่ยถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเป็นการปฏิญญาอปเราไม่เลยเสบียดประโยชน์อะไรขึ้นมาต้องฟังทั้หลายแต่โรวงรพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้ยเวลาเป็นค่านี้ที่สุดนี้เขอความจเจริญงองามไปบุญในธรรมยังมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี